สมัยนี้ไปไหนก็มีรูปถ่ายกันทุกคนถ่ายแล้วก็ยังเอาไปประจานให้คนอื่นเขาเห็นด้วยเอาไปเตดไปเป็นดารากันทุกคนเนี่ยนี่ถ่ายรูปถ่ายเองด้วยไม่ต้องให้คนอื่นถ่ายก็ได้ หาเร็จก so ็ส่งขึ know. Know. Know. Mm ้น Facebook, y ย u t u b อิน s ต a g กรมไปทั่วโลกกำลังทำอะไรอยู่ก็มีคนรู้คนติดตามแต่มันเป็นของเล่นของพวกนี้เล่นกันไปวันๆหนึ่งสนุกสนานเพลิดเพลินไปกันวันหนึ่ง มันจะหายสนุกก็ตอนที่เครื่องมันเสียโทรศัพท์มันเสียหรือโทรศัพท์หายก็ต้องหาซื้อเครื่องใหม่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปพอหมดก็ไม่มี อะไรเหลืออยู่ในใจเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ความเศร้าหมองอันนี้ไม่ได้เป็นความสุขจริงนะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดลง แต่ใจไม่ได้หมดไปกับความสุขพอความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหมดไปใจก็เลยไม่มีอะไรให้ความสุขด้วยใจก็จะเหงาจะเศร้าคนที่ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะมีอาการซึมเศร้า บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะว่าร่างกายก็ไม่ถาวรร่างกายก็จะต้องเข้าสู่วัยชราสู่การเจ็บไข้ได้ป่วย เวลานั้นก็จะมีแต่ความเศร้าดังนั้นเราอย่าหลงระเริงกับความสุขแบบนี้กันมากจนเกินไปเรามาหาความสุขที่จีรังถาวรดีกว่าความสุขที่ไม่จากเราไป ความสุขที่จะอยู่คู่กับใจของเราไปเรื่อยๆไปตลอดอันนี้คือความสุขภายในใจความสุขภายในใจนี้จะเป็นความสุขที่ไม่จากเราไปไม่ปล่อยให้เราเหงาไม่ปล่อยให้เราว้าเวไม่ทำให้เราคิดฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นของดีของวิเศษไม่ต้องใช้เงินใช้ทองใช้สติสตินี้เป็นตัวที่จะสร้างความสุขทางใจทำใจให้สงบด้วยการควบคุมใจด้วยสติสตินี้เป็นผู้บังคับใจ บังคับให้หยุดคิดวิธีที่จะทำให้มีสติก็ให้ใจมีให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวอย่าไปคิดหลายหลายเรื่องอย่าไปรู้หลายหลายเรื่องพอถ้าคิดหลายหลายเรื่องรู้หลายหลายเรื่องมันจะไม่นิ่งมันจะไม่สงบให้มันรู้หรือคิดอยู่เรื่องเดียว ให้คิดอยู่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกายไปจดจอ่อเฝ้าดูร่างกายไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็ดูร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนกออำลังนอนอยู่แล้วจะทำอะไรต่อไปออจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนจากท่านอนมาเป็นท่านั่ง เปลี่ยนจากท่านั่งกมาเป็นท่ายืนเฝ้าดูมันไปอย่าไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจําเป็นต้องคิดก็ก็นั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆอย่าทำอะไรทางร่างกายคิดให้พอตอนนี้คิดว่าวันนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่มีงานต้องทำหรือไม่ต้องไปพบปะกับใคร คิดให้เรียบร้อยพอคิดเสร็จก็หยุดคิดแล้วก็มาเฝ้าดูร่างกายต่อไปร่างกายต้องไปเตรียมตัวไปอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารให้เฝ้าดูมันไปทุกขั้นตอนอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ให้อย่าไปรู้เรื่องอื่นให้รู้อยู่กับเรื่องของร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นการฝึกสติเป็นการควบคุมความคิดไม่ให้คิดให้รู้อยู่เรื่องเดียวเรื่องของร่างกายเรียกว่ากายกตาสติการเจริญสติด้วยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งให้ ใช้ร่างกายเป็นที่ผูกใจใจมันชอบลอยไปที่อื่นชอบไปอดีตชอบไปอนาคตชอบไปหาคนนั้นหาคนนี้ชอบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมทางจิตใจถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีความสงบ มีความสุขจิตใจต้องรู้เฉยๆรู้แต่ไม่คิดคิดแล้วมันฟุ้งคิดแล้วมันวุ่นวายใจคิดเลามันอยากมันโลภมันโกรธอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำให้อยู่กับการอาบน้ำไป กำลังล้างหน้าแปลงฟันกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมให้มีสเตอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันอย่าไปอดีตอดีตผ่านไปแล้ว อ, อนาคตยังมาไม่ถึงมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงในขณะนี้ ขณะนี้เรานั่งฟังเทศก็ให้ฟังอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการฟังเทศไปแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่ได้ฟังเทศถ้านั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไป ดูที่ปลายจมูกเพราะเป็นจุดที่ลมเข้าลมออกนั่นเองทางประตูที่จะลมที่ลมจะเข้าก็คือที่รูจมูกที่ปลายจมูกลมจะเข้าออกตรงนั้นให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นจุดเดียวอย่าตามลมเข้าลมออกเพราะใจจะไม่นิ่งต้องการให้มันนิ่ง ต้องการให้มันอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดตอนต้นเวลานั่งลมมันจะหยาบ จะเห็นชัดแต่นั่งไปเรื่อยๆแล้วลมก็จะค่อยละเอียดลงไปค่อยเบาลงไปลมสั้นก็รู้ว่าสั้นอลมยาวก็รู้ว่ายาวอย่าไปควบคุมบังคับลมนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการจะควบคุมอะไรนอกจากใจเท่านั้นต้องการควบคุมใจให้นิ่งไม่ให้คิดไม่ให้ไปไหน ให้อยู่ตรงจุดเดียวคืออยู่ที่ตรงลมเข้าลมออกตรงปลายจมูกให้สัมผัสอยู่ตรงนั้นไปรู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวลมก็จะค่อยๆเบาลงไปเบาลงไปจนละเอียดจนอาจจะไม่สามารถรับรู้ลมได้ก็ให้รู้กับความว่างไปรู้ว่าตอนนี้ว่าง ลมไม่สามารถจับได้ก็จับที่ความว่างอย่าให้คิดให้อยู่กับความว่างเฝ้าดูความว่างไปเหมือนตอนที่เราดูท้องฟ้าเนี่ยดูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าดูเฉยๆดูลมไปลมหยาบลมละเอียดลมหายไปก็รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นให้รู้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยว จิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองอย่าไปคาดอย่าไปคเนอย่าไปเลงอย่าไปเกงอย่าไปรุนเมื่อไหร่จะรวมสักทีอันนี้ถ้าคิดอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ดูลมละให้ดูลมไปอย่างเดียวจะรวมไม่รวมไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของจิตมันจะรวมเมือไม่รวมอยู่ที่ว่าเราไม่ไปยุ่งกับมัน เราปล่อยให้มันรู้ลมเฉยๆไปเพียงอย่างเดียวแล้วถ้ามีอะไรมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมีปิติมีสุขมีความรู้สึกอะไระก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับลมบางทีนั่งก็รู้สึกว่าคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นให้สนใจอย่างเดียวคือลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกให้รู้อย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วจะนิ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุบเบกขาขึ้นมาคือเฉยไม่ดักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง บางทีร่างกายก็หายไปบางทีก็ไม่หายบางทีความเจ็บก็หายไปบางทีความเจ็บก็ไม่หายไปแต่ใจจะไม่เดือดร้อนจะเฉยร่างกายหายไปก็เฉยร่างกายอยู่ก็เฉยความเจ็บหายไปก็เฉยความเจ็บยังอยู่ก็เฉยไม่มีผลต่อจิตใจมีผลเท่ากันเจ็บหรือไม่เจ็บ ไม่สะเทือนใจเหมือนกันแล้วก็พอนิ่งอย่างนั้นก็อย่าไปทําอะไรอย่าไปพิจารณาทางปัญญานั่งสมาธินี้ไม่ได้นั่งเพื่อพิจารณาปัญญานั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาแล้วก็รักษาความนิ่งความอุเบกขาให้อยู่ไปนานๆโดยการมีสติคอยดู อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งถ้ามันคิดพอมันจะเริ่มคิดก็หยุดมันถ้ามีสติรู้อยู่ใจเห็นทันทีเวลาใจจะเริ่มคิดขึ้นมาก็หยุดมันไม่ต้องการคิดตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่ตอนพิจารณาปัญญาคนละเรื่องกันตอนนี้กำลังฝึกสมาธิอำการสร้างกำลังให้กับ จิตกำลังของจิตก็คืออุเบกขาคือความนิ่งเนเพราะความนิ่งนี้จะหยุดกิเลสได้ถ้าใจไม่นิ่งนี้หยุดกิเลสไม่ได้ถ้าใจไม่มีอุเบกขาสู้กิเลสไม่ได้ต้องใช้ความนิ่งใช้อุเบกขาจึงต้องพยายามสร้างอุเบกขาสร้างความนิ่งให้ไปนา น, าน พอมันนิ่งแล้วก็ประครับประครองมันไว้ด้วยสติให้รู้เฉยๆอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันไปสนใจกับอะไรก็ตามมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้ดึงจิตกลับเข้ามาที่ตัวรู้ให้สักงตะวันรู้ให้อยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับอะไรที่โผล่ขึ้นมา ทำอย่างนี้ไปจนกว่าจะถอนออกมาจนกว่าจะตั้งอยู่ในความสงบไม่ได้ก็ถอนออกมาพอถอนออกมาก็มาจเจริญสติต่อไปตอนนี้ยังไม่ต้องยุ่งเรื่องปัญญาเพราะเพราะว่าสติกับสมาธิยังมีกำลังไม่มากพอต้องฝึกสติสมาธิไปทั้งวันก่อน ให้มันชานานให้มันมีพลังสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาพอนั่งหลับตาดูลมเดี๋ยวเดียวก็รวมถ้ายังเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าออกมาจากสมาธิแล้วยังควบคุมจิตให้อยู่กับร่างกายไม่ได้อย่างต่อเนื่องอย่าพึ่งไปทางปัญญาไปก็ไม่เกิดประโยชน์ พราปัญญาที่ไม่มีสมาธิก็เป็นเหมือนมีดที่ไม่ได้รับนั่นเองหรือมีดที่คนใช้ไม่มีเลี้ยวมีแรงถ้ามีมีดแต่คนใช้ไม่มีกำลังมีมีดก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องให้คนที่ใช้มีดนี้มีกำลังก่อนต้องคนที่คนที่ยังมีกำลังต้องทำอย่างไรต้องกินอาหาร ต้องพักผ่อนหลับนอนพอได้กินอาหารได้พักผ่อนหลับนอนเตื่นขึ้นมาก็จะมีเรี่ยวมีแรงทีนี้ค่อยๆเอามีดไปใช้ทําประโยชน์ต่อไปได้นแต่ถ้าคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่ได้กินข้าวไม่ได้หลับไม่ได้นอนมีมีดก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีกําลังที่จะใช้มีดนั้นไปให้เกิดประโยชน์ได้น นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติอย่าข้ามขั้นตอนพวกปฏิบัตินี้มกักชอบข้ามขั้นตอนกันชอบเข้าไปสู่ขั้นปัญญากันเลยบอกสมาธิไม่จำเป็นเอาปัญญาเลยปัญญาเท่านั้นที่ฆ่ากิเลสได้แต่ปัญญาที่ไม่มีกําลังก็ฆ่าไม่ได้สมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้ แต่หยุดกิเลสได้หยุดเป็นหยุดชั่วคราวได้แต่ปัญญาที่ไม่มีสมาธินี่หยุดกิเลสไม่ได้ดังั้นปัญญาจะตามมาเป็นเรื่องที่จะต้องตามมาทีหลังเหมือนกับตอนนี้เรียนอนุบาลอยู่อนุบาลไปก่อนอย่าเพิ่งไปเรียนชั้นปฐม เรียนให้จบชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยขึ้นสู่ชั้นประถมชั้นประถมก็เรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปสู่ชั้นมัธยมต้องขึ้นไปตามลำดับของมันไม่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่ได้ผลถ้าอยู่ชั้นอนุบาลแล้วไปเรียนชั้นประถมก็สอบตกเพราะว่าไม่มีกําลัง เหมือนกับคนที่เขาผ่านชั้นอนุบาลแล้วจบอนุบาลแล้วไปเรียนชั้นปรมก่อนที่ยังไม่จบชั้นอนุบาลไปเรียนชั้นปถมก็สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันมีขั้นมีตอนของมันไม่ควรข้ามขั้นตอนข้ามแล้วมันก็จะไปไม่ถึงไหนขั้นแรกฝึกสติก่อน การแรกนี้ต้องฝึกสติมากตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเป็นนักปฏิบัติก็จะฝึกสติได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติเพราะนักปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปทำงานทำการคนที่ยังต้องทำงานทำการอยู่นี่จะฝึกสติได้ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้มาก พอพอเวลาไปทำงานก็ต้องพูดต้องคุยกันหยุดความคิดไม่ได้พ อ, ดพอพูดพอคุยพอคิดถึงเรื่องงานเรื่องการก็ยาวไปเลยเหมือนรถวิ่งลงเขาเลยเมันจะมีเรื่องให้คิดกันอย่างต่อเนื่องคิดจนกระทั่งบางทีกลับบ้านแล้วยังหยุดคิดไม่ได้ยังคิด ติดพันอยู่กับเรื่องของงานที่ที่บริษัทอยู่อันนี้การเจริญสติของผู้ที่ยังมีภารกิจการงานต่างๆนี้จะไม่สามารถทำได้เป็นกอบเป็นกรรมไม่เหมือนกับผู้ที่ไม่มีงานการต้องทำเช่นพวกที่มาอยู่วัดนี่ไม่มีงานให้ทำนอกจากงานเจริญสติ งานนั่งสมาธิงานเจริญปัญญาอันนี้เป็นเป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ปฏิบัติธรรมก็ทำได้เป็นบางช่วงบางเวลาเช่นช่วงที่ยังไม่ได้ไปที่ทำงานช่วงที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำ แต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปช่วงนั้นก็อาจจะสามารถที่จะเจริญสติได้แต่ก็จะยากเพราะว่าจะต้องเจอเหตุการณ์รอบด้านเจอคนนั้นเจอคนนี้พอเจอก็ต้องมีการคิดมีการพูดคุยกันบ้างมีการทักทายกันคุยกันไป มีเหตุการณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะถูกเหตุการณ์นั้นฉุดลากไปให้คิดไปเช่นเปิดดูข่าวพอมีข่าวข่าวก็วิพากวิจาร์คิดไปกับข่าวข่าวใจก็เลยไม่ได้หยุดคิดกันคิดไปการเจริญสตินี้ต้องการหยุดความคิด แต่ถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ที่ทำงานนี้จะหยุดคิดนี่ยากหยุดไม่ได้หยุดได้ก็ช่วงตอนที่อยู่ตามลำพังอยู่ในห้องน้ำอย่างนี้อยู่ในห้องนอนคนเดียวถ้านอนสองคนเดียวก็ต้องคุยกันอีกตื่นขึ้นมาก็ต้องคุยกันละถ้านอนคนเดียวช่วงนั้นก็จะมีเวลาจะริญนสติได้ ลืมตาขึ้นมาก็ hill, ดูร่างกายเลยว่าตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ในเอลิยาบทไหน อ, อยู่ในท่าไหนกําลังท่าอยู่ในท่านอนอก็ดูว่ามันอยู่ในท่านอนอยู่ในท่านั่ง อ, อยู่ในท่ายืนอยู่ในท่าเดินกําลังทําอะไรกําลังล้างหน้ากําลังแปรงฟันกําลังอาบนาบ้ำกำลังแต่งตัว ช่วงนี้ถ้าอยู่คนเดียวจะเป็นช่วงที่จะฝึกสติได้คือไม่ให้คิดให้ดูให้รู้เฉยๆให้ดูให้รู้ว่าร่างกายกาำลังทำอะไรอยู่แต่พอเริ่มมาพบปะกันแล้วพอแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จจะมากินอาหารก็ต้องเจอคนในบ้านก็ต้องถามล้วเป็นยังไงวันนี้จะไปทำอะไรกันมีอะไรกัน หรือเราก็อาจจะเปิดดูข่าวเปิดอะไรเปิดดูไลน์เปิดดูอะไรติดตามนะว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างจะต้องไปทําอะไรบ้างทีนี้ความคิดมันก็ไหลเป็นเหมือนกับลูกกระสุนปืนที่ออกมาจากปืนกลนะไม่ได้ออกมาทีละนัดนะมันออกมาเป็นขบวนนะนี่แหละคือความคิดของคนที่ยัง มีการทำงานทำการอยู่จะไม่มีวันที่จะฝึกสติหยุดความคิดได้ถ้าไม่มีสติที่หยุดความคิดได้นั่งสมาธิไปก็ไม่มีวันที่จะสงบได้นั่งเฉยๆหลับตาก็ยังคิดไปต่ออันนี้การจเจริญสติการจะฝึกสมาธิให้ได้ผลจริงไม่เหมาะกับผู้ที่ ยังมีการทำงานทาการอยู่ฝึกได้ปันบางช่วงบางเวลาแล้วไม่มีเวลานั่งสมาธิเพราะถ้าทำงานแล้วมันจะต้องมีการไปทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยออกจากบ้านก็ไปทำงานช่วงที่ไปเดินทางไปทำงานถ้าไม่ได้ขับรถเองก็มีโอกาสที่จะนั่งสมาธิได้ช่วงนั้น ช่วงที่นั่งรถไปก็นั่งหลับตาดูลมหายใจไปพอไปถึงที่ทำงานก็หมดโอกาสแล้วหมดโอกาสที่จะเจริญสติที่จะนั่งสมาธิทีนี้ก็จะคิดไปทั้งวันจนเลิกงานกลับมาบ้านนี่กลับมาบ้านมันจะไม่หยอกหยุดคิด มันคอยคิดมาทั้งวันมันก็เลยหยุดยากการฝึกสติจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกในวันที่ไม่ต้องทำงานจะได้ทำได้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่ต้องทำงานถ้าอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้จะสามารถที่จะฝึกสติ นั่งสมาธิได้สลับกันไปเวลานั่งก็ดูลมหายใจไปเวลาไม่นั่งก็เจริญสติไปเช่นถ้าเดินจงกรมก็ดูเจริญสติไปดูว่าร่างกายกำลังเท้าก้าวเท้าไหนอยู่ก้าวเท้าซ้ายาซ้ายขวาซ้ายขวาดูที่เท้าไปพอเดินจนเมื่อย ก็กลับมานั่งใหม่ก็ดูที่ลมหายใจไปเนี่ยถ้าไม่ต้องทำงานถ้าต้องการที่จะเจริญสตินั่งสมาธิเนี่ยจะทำได้ทั้งวันเลยถ้าเป็นวันที่ไม่ต้องไปทำงานเนี่ยอยู่ที่ว่าจะควบคุมความคิดดึงความคิดให้มาทำเรื่องที่เราต้องการให้มันทำได้หรือไม่หรือมันยังทะเลทลเดี๋ยวมันก็ ว่าไปเปิดดูทีวีว่าไปเปิดดูหนังสือพิมพ์ว่าไปเปิดดูมือถือเดี๋ยวเดี๋ยวก็เพินคุยกันแชทกันไปคุยกับคนนั้นแชทกับคนนี้แล้วเดี๋ยวก็วะเข้าไปดูในเว็บหน่อยมีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยวกว่าจะปิดมือถือก็แบตเตอรี่ใกล้จะหมดเท่านั้นเป็นชั่วโมง ถ้าจะปฏิบัติจริงๆนี่ต้องตัดทุกอย่างอย่าไปแตะมือถืออย่าไปดูอย่าไปอะไรกับอะไรทั้งนั้นตัดให้มันหมดให้อยู่กับตัวอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวให้มีร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วบังคับให้มันเดินกับนั่งอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิและหรือทำงานที่จำเป็นต้องทำเช่นถึงเวลาต้องกวาด ถูอะไรก็กว่าต้องเช็ดต้องทำความสะอาดอย่าปฏิบัติแล้วปล่อยให้สถานที่ลกลุงรังเหมือนรูหนูเหมือนรังหนูอันนี้ไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัตินักปฏิบัติจะเรียบร้อยสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้อยู่นี้จะเก็บดูแลรักษาให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้เกะกะเละเท เพราะช่วงที่ทำก็สามารถจเจริญสติได้อันนี้ถ้าอยากจะฝึกจิตอยากจะสร้างความสุขที่เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับจิตไปตลอดนี้ต้องสร้างแบบนี้ต้องบังคับต้องอธิษฐานต้องตั้งใจว่าจะฝึกสติไปทั้งวัน ตั้งแต่ตื่นจนหลับจะไม่ทํากิจกรรมอะไรที่ต้องใช้ความคิดจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครจะไม่ไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จะอยู่ตามลําพังเพราะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็คุยกันจ่อขึ้นมาแล้วเวลานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะยังคิดถึงเรื่องที่คุยกันอยู่ บางทีคุยไปคุยมากลายเป็นทะเลาะกันขึ้นมาก็มีเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมาอีกน่งั้นอย่าคลุกคลีกันนึงแม้จะมาอยู่วัดมันบางทีก็ยังต้องเจอกันก็เจอกันเฉพาะช่วงที่ต้องเจอบางวันนี้เขาไม่ให้เจอกันเขาให้แยกกันอยู่จะเจอกันแค่ช่วงที่มารับประทานอาหารมาทำ กิจเกี่ยวกับทางร่างกายรับประทานอาหารแต่ก็ไม่ให้คุยกันเวลามาเจอกันต่างคนต่างาทำหน้าที่ของตนไปทำเสร็จก็แยกกันกลับไปกลับไปเจริญสติต่อถ้าไม่มีงานที่จะต้องทำ ท, ที่ที่พักคือไม่ต้องกวาดไม่ต้องถูไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างอะไร ก็เดินจงกรมไปหรือนั่งสมาธิไปทำสองอย่างแค่นี้เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ใจนี้จเจริญสติไม่ว่าอยู่ในท่านเดินหรือท่านั่งเดินก็จเจริญสตินั่งก็จเจริญสติถ้านั่งจเจริญสติแล้วก็จะได้สมาธิด้วยสมาธิจะต้อง เกิดจากตอนที่ร่างกายอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่จะนิ่งไม่ได้จะเบาจะไม่คิดแต่จะไม่นิ่งถ้ามีสติอยู่กับการเดินซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปดูมันเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้ า, า, าขวาพอเดินไปสุดทางก็หันกลับแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาพอเดินสุดทางก็กลับ ซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับการเดินไปอย่างเดียวเรื่องปัญญายังไม่ต้องสนใจตอนนี้เอาแค่สติให้ได้ก่อนสตินี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมทั้งหลายถ้าไม่มีสติสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิมุติหลุดพ้นไม่เกิด ต้องให้มีสติก่อนเหมือนรถยนต์นี่ต้องหากุญแจรถให้ได้ก่อนถ้าไม่มีกุญแจรถนอย่าไปหวังที่จะขับรถไปไหนมาไหนต้องมีกุญแจก่อนถ้ามีกุญแจแล้วเดี๋ยวก็เปิดประตูรถได้สตาร์ทรถได้ขับรถได้จิตก็เหมือนกันการที่จะไปสู่นิพพาน การที่จะไปสู่วิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการที่จะไปสู่ความสุขที่ถาวรที่แท้จริงต้องเริ่มด้วยที่สตินี่แหละเพราะฉะนั้นพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจให้อยู่กับการจเจริญสติเรื่องอย่างอื่นก็รู้ได้เช่นมาฟังเทศฟังธรรมนี้ก็จะรู้หลายเรื่องด้วยกัน แต่รู้ไว้ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ว่าเรื่องอื่นยังไม่ใช่เป็นขั้นตอนของเราเช่เรื่องปัญญาพิจารณาตายรักพิจารณาอริยสัจสีนี่พิจารณาสิ่งต่างๆว่าไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ฟังได้รู้ได้รู้ว่านี่คือเรื่องของปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิไม่มีสติก็อย่าพึ่งไป ให้ความสาคัญกับมันมาให้ความสาคัญกับสติถ้าให้ความสาคัญกับสติเดี๋ยวไม่นานเนี่ยก็ได้สติแล้วพอได้สติเดี๋ยวไม่นานก็ได้ไดสมาธิแล้วแล้วพอได้สมาธิแล้วททนี้ไปปัญญาให้เต็มที่เลยถ้าสามารถเข้าสมาธิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเข้าได้ทุกครั้งทุกเวลาหยุดความคิดได้ทุกครั้งที่ต้องการ ที่จะคิดหยุดความอยากหยุดกิเลสตันหาได้ทุกครั้งที่ต้องการจะหยุดตอนนั้นหละถึงค่อยไปทางปัญญาเพราะปัญญาจะให้เราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชอบไปอยากว่ามันเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันก็ยังจะอยากอยู่แล้วมันจะไม่ใช้สติหยุดความอยากมันจะใช้สติดันความอยากสนับสนุนความอยาก นี่คือทำไมเราต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาเพราะปัญญาจะบอกให้เรารู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำนั่นเองสิ่งไหนเป็นสุขแท้สิ่งไหนเป็นสุขปอมแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้ปัญญาตอนนี้เรารู้แล้วว่าสุขปอมเป็นยังไงสุขแท้เป็นยังไงเข้าๆรู้แบบเข้าๆรู้ว่าเราต้องมาหาความสงบ ที่เป็นความสุขแท้ความสุขแท้จะเกิดความสงบจะเกิดก็ต้องมีสติเออนมาสร้างความสุขแท้ความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงแต่ว่ามันจะได้เป็นแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะสตินี้ไม่สามารถทำให้มันถาวรได้พอได้ความสุขแบบชั่วคราวจากสติแล้วถึงค่อยมาใช้ปัญญา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 การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงความสุขที่แท้จริงก็คือการไม่มีความทุกข์นั่นเองพอไม่มีความทุกข์แล้วก็สบายอพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็วุ่นวายใจไปหมดต่อให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงายก็ตามพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาปั๊บความสุขต่างๆหายไปหมดเลย แต่ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วก็จะไม่มีก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดอต้องหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดหยุดความทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาก็คือตัณหาความอยากสิ่งที่จะทำให้ตัณหาความอยากหายไปก็คือปัญญา แต่สิ่งที่จะหยุดตัณหาความอยากก็คือสติสมาธิมีปัญญาถ้าไม่มีสติสมาธิก็หยุดความอยากไม่ได้รู้วิธีทำให้มันหายแต่ถ้าไม่มีสติมาหยุดมันก็มันก็ไม่หยุดมันจะไม่หาย น, นี่คือธรรมะเป็นขั้นตอนอันนี้ไม่ได้พูดถึงขั้นศีล้องมีศีลด้วย ถ้าไม่มีศิลก็มาฝึกสมาธิไม่ได้ไม่มีสิงเดี๋ยวก็ไปกินเหล้าเมายาเดี๋ยวก็ไปนอนกับแฟนเดี๋ยวก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือไปทํางานทําการไปทําอะไรต่างๆทางร่างกายมันก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสติหยุดความคิดเพราะถ้าไปทํากิจกรรมต่างๆมันต้องใช้ความคิดนะ ไปเที่ยวก็ต้องใช้ความคิดไปทำงานก็ต้องใช้ความคิดไปดูหนังฟังเพลงก็ต้องใช้ความคิดแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องใช้ความคิดมันก็จะไม่สามารถที่จะมาฝึกสติมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ดังนั้นต้องมีศีลคือศีลแปดต้องถือศีลแปดกันเรียกว่าเนคขมะ การหยุดท้าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าเมฆขมมะการออกจากกามเมฆขมมะกามก็คือรูปเสียงกลพพิ่นรสโผฏฐาพะถ้าต้องการความสงบต้องต้องทิ้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบจะเาทั้งสองอย่างไม่ได้ จะนั่งสมาธิแล้วก็ไปนอนกับแฟนไม่ได้จะนั่งจ ะ, จะนอนกับแฟนแล้วไปนั่งสมาธิไม่ได้จะกินข้าวให้อิ่มตุ้ยให้สบายให้สุขแล้วไปนั่งสมาธิไม่ได้ถ้ากินอิ่มๆแล้วมันก็จะง่วงนอนมันจะไม่นั่งนั่งแล้วมันก็จะหลับคอพับสับประงกถึงเดามาถือศีลแปดกันก่อน อันหนึ่งบอกว่าศีลเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิแล้วถ้ามีสมาธิแล้วมีกำลังที่จะหยุดกิเลสแล้วก็มาฝึกปัญญาได้เพื่อเอาปัญญามาสอนใจให้ให้รู้ว่าทําไมจึงต้องหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่เที่ยงมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป เวลามันหมดนี่คือปัญญามักจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่เราได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายได้มาแล้วมันจะหมดส่วนใหญ่คิดว่าได้แล้วมันจะเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่งงานแล้วจะมีความสุขไปทุกวันเหมือนวันที่แต่งงานพอแต่งไปไม่กี่วันความสุขที่เกิดจากการแต่งงานหายไปแล้ว เดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดการทะเลาะกันละมีความเห็นไม่ตรงกันมีการกระทาที่ไม่ตรงกันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้ะเดี๋ยวก็พูดบอกกันว่ากันก็เกิดความโกรธกันขึ้นมาละอันนี่คือความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์จะมองไม่เห็นจะคิดว่าได้มาแล้วจะสุขไปตลอด ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดเนาะแต่เราเป็นยังไงความจริงแต่งมากันไม่กี่เดือนบางทีก็หยากัรละเลิกกันละแต่ก็มองไม่เห็นกันเห็นหยากันทุกวันไอคนที่ไม่มีมันก็ไม่เห็นนาทีคนที่จะมีแฟนคนที่จะแต่งงานมันก็ไม่คิดว่ามันจะหยากัรมันก็คิดว่าจะอยู่กันไปตลอดนแต่พอแต่งกันไม่กี่เดือนกี่ปีก็แยกกันละ เนี่ยไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญารู้ว่าเดี๋ยวก็ต้องแยกกันก็ไปแต่งกันทำไมมันเสียเวลาอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดอนี่ก็เรื่องของการปฏิบัตินะมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่าข้ามขั้นข้า ม, า ม, ามตอน ตอนต้นก็รักษาศีลก่อนมีศีลหรือยังรักษาศีลแปดได้ไหมถ้ายังไม่ได้เอาศีลห้าก่อนได้หรือเปล่าถ้าศีลห้าไม่ได้เอาศีลสีก่อนได้หรือเปล่าศีลสีไม่ได้เอาศีลสามก่อนได้หรือเปล่าต้องให้มันได้สักอย่างศีลเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ศีลก่อนต้องรักษาศีลก่อนถ้าได้ศีลห้าแล้วก็ขยับขึ้นสู่ศีลแปด กเข้าสู่ศีลแปดเนี่ยก็อยู่วัดได้เนี่ยพวกที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมาถือศีลแปดกันทั้งนั้นมาถือศีลแปดจะได้มีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธิกันมีเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันถ้าไม่ถือศีลแปบวันนี้อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงที่ไหนก็ได้ะเอหรืออาจจะไปทํางานทําการเออ หรือจะไปทำอะไรต่างๆเพราะศีลแปดไม่ห้ามเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปได้อยากจะไปงานสังคมต่างๆก็ไปได้อยากจะเปิดมือถือดูอไลน์ดูอะไรดูได้หมดเนี่ยไม่มีข้อห้ามแต่ถ้ามาถือศีลแปด น, นี้ต้องปิดหมดปิดตาหูจมูกลิ้นกายตาไม่ดูอะไรไม่ฟังอะไร ให้ดูของที่เป็นธรรมชาติเช่นดูต้นไม้ใบหญ้าแต่ไม่ได้ดูด้วยความอยากดูดูเพราะว่ามันมันมีให้ดูให้เห็นเดินไปไหนเห็นอะไรก็ดูไปอย่างนั้นเห็นแบบนั้นไม่เป็นไรอย่าไปเลือกเห็นต้องเห็นภาพอย่างนั้นต้องได้ยินเสียงอย่างนี้อันนี้เป็นกิเลสเป็นความอยากต้องปิดทวารทั้งห้า สัมรวมอินทรียเขาเรียกว่าสัมรวมอินทรีย์สัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าอินทรียสังวรหรือศีลสังวรเอศีล ส, สังวรก็นางับเอรักษาศีลแปดนี่ค่ะเป็นศีลสังวร อ, อินทรียสังวรตัวเดียวกันเมฆขมภ์อินทรียสังวรศีล ส, สังวร น, นี้เป็นตัวเดียวกันคือนะงับการกระทําต่างๆ ที่จะทําให้ไม่มีเวลามาฝึกหัดจิตใจมาฝึกสติมานั่งสมาธิอย่างนั้นต้องเริ่มต้นที่ศีลก่อนนต้องมีศีลต้องรักษาศีลได้ถ้ารักษาศีลได้แล้วทีนี้จะมีเวลาเพราะไม่ไปเปิดดูทีวีไม่ดูข่าวไม่ดูฟังเพลงไม่ดูละครไม่ดูภาพยนตร์ไม่ไปงานเลี้ยงเขาเชิญเอาบัตรเชิญมาวันเกิด วันแต่งงานวันอะไรทั้งหลายทั้งหลก็ไม่ไปถือศีลแปดถ้าถือศีลแปดได้ก็เลือกเอาถ้าอยู่บ้านก็ต้องเอาบ้านที่อยู่คนเดียวอย่าไปอยู่กับใครเพราะอยู่กับคนอื่นแล้วมันเดี๋ยวต้องมีการสนทนามีการอะไรกันถ้าไม่พูดคุยกันก็หาว่าโกรธกันหรือกเกลียดกันหรือเปล่าอ ถ้ามาอยู่ด้วยกันไม่คุยไม่ไม่พูดไม่จากรัอต้องไปอยู่คนเดียวถ้าอยู่กับคนอื่นเดียวก็จะหาว่าเราบ้าไม่พูดไม่จาไม่คุยกับใครไม่ทำกิจกรรมร่วมกับใครต้องไปอยู่กับพวกที่ทำกิจกรรมเหมือนกันพวกที่ไม่คุยกับใครเหมือนกัน <St aren> ก็คือไปอยู่ที่วัดเนี่ยไปอยู่ที่วัดนี้ ยิ่งถ้าเป็นวัดปฏิบัตินี้เขาไม่พูดไม่คุยกันพระออกมาทํากิจนี้ไม่คุยกันชาวบ้านไม่รู้คิดว่าพระโกรธกันเอ้ไม่คุยกันเลยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนไปก็เพราะว่าคุยกันแล้วมันคิดไงมันคิดมันถึงคุยแล้วมันจะหยุดคิดไม่ได้พอคิดแล้วมันก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วพอจะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ ดันจึงต้องมีศีลแปดไม่คุกคลีกันต้องปีกวิเวกมีศีลแปดแล้วก็ปลีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดอยู่ตามนำพังที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมากลบกวนใจเรียกว่าปลีกวิเวกนี่คือสูตรที่พระเจ้ า, อามอบให้กับพวกเรา ถ้าอยากจะเจริญสติอยากจะสร้างความสงบอยากจะปฏิบัติทำให้ได้ผลได้มรรคผลผนิพพานต้องมีศีลก่อนศีลสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายปิดทวารทั้งห้าแล้วก็อยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ไม่มีใครมารบกวน อยู่คนเดียวอยู่สถานที่สงบสงัดเช่นในป่าในเขาไม่มีใครมารบกวนเรียกว่าเปรีกวิเวกสำรวมินทร์เจเปรีกวิเวกแล้วก็รับประทานอาหารพอสมควรถึงแม้ถือศีลแปดยังกินได้สองมือบางทีก็มากเกินไปก็ลดเหลือมือเดียวกินหนนเดียวกินน้อยๆกินพอให้มันไม่หิวก็พอ เห็นพอดับความหิวร่างกายจะได้เบาจะได้ไม่ง่วงนอนจะไม่เกียดค้านถ้ากินมากๆอิ่มแล้วมันจะง่วงนอนหนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนนั่งสมาธิก็หลับเดินจงกรมก็ไม่มีไม่อยากจะเดินอยากจะหาหมอนอย่างเดียวต้องต้องมีการรับประทานอาหารพอประมาณแล้ว สิ่งสุดท้ายที่ต้องมีก็คือต้องเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาต้องตั้งสติอยู่เรื่อยๆหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายกำลังทาอะไรก็อยู่กับมันไปแล้วจะสามารถกำจัดนิวรณทั้งต่างๆได้หมด คามม่วงนอนก็ไม่เกิดความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดการอารมณ์ก็ไม่เกิดนความโกรธก็ไม่เกิดถ้าอยู่คนเดียวถ้าไม่ไปยุ่งกับใครมันจะไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็โกรธเกิดความโกรธขึ้นมาได้เอนี่คือสูตรที่จะมาแก้นิ้วอนที่เป็นอุปสรรคขวางกาั้นการปฏิบัติใจให้สงบนี้่ ต้องหนึ่งต้องมีศีลสังวรหรือมีเอ็นซีสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายปิดให้หมดกล้องมือถือโทรศัพท์ไม่ติดต่อกับใครไม่ดูอะไรไม่ฟังอะไรถือว่าตายจากโลกนี้ไปชั่วข่าวขอลาจากโลกนี้ไปชั่วข่าวไปอยู่โลกของความสงบไปอยู่คนเดียวปิดสำรวมแล้วก็ไปอยู่คนเดียวไปเปกวเว้ ไม่คุกคีกับใครบางทีไปอยู่ที่สงบแต่ต้องมีคนไปอยู่หลายคนก็แยกกันอยู่อย่าไปคุกคีกันอย่าไปคุยกันอย่าไปสังคมกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติแล้วก็เจริญสติตลอดเวลาแล้วก็รับประทานอาหารพอประมาณสมตัญยุตตาโพชนาะ รับประทานอาหารพอประมาณอย่ารับประทานให้อิ่มจนเกินไปเราจะไม่มีอุปสรรคในการที่จะมาปฏิบัติธรรมเราจะปฏิบัติได้ผลภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอย่างแน่นอนถ้าทามตามขั้นตอนเหล่านี้อย่าข้ามขั้นตอนถ้าข้ามขั้นตอนแล้วจะไม่มีวันที่จะได้ผลขั้นตอนนี้ คือหนึ่งถือศีลแปดยนว่นศีสังวรรับไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปไม่ไปปีกเว้ยเวกอยู่คนเดียวไม่คุกครีกันแล้วก็มันเจริญสติอยู่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเดินเวลาต้องทำกิจก็มีสติอยู่กิจที่ต้องทำอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟัน แต่งเนื้อแต่งตัวทำอะไรต่างๆให้มันมีสติอยู่กับงานนั้นๆเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเห็นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับงานให้รู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารเสร็จแล้วไม่มีภารกิจที่ต้องทำก็ไปเดินจงกรม ลับประทานานเสร็จนั่งมันจะง่วงถึงแม้จะรับประทานไม่มากมันก็ยังง่วงได้ต้องออกไปเดินสักพักนึงก่อนให้อาหารมันย่อยให้ร่างกายมันเบาขวบเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธินั่งสมาธิจนกว่าจะออกจากสมาธิมาก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินแล้วก็กลับมานั่ง จนกาศจะต้องไปทำกิจตอนบ่ายอาจจะต้องไปช่วยกันกวาดลานวัดกวาดทำอะไรทาความสะอาดอะไรต่างๆหรือต้องไปอาบน้ำอาบท่าก็ไปอาบน้ำกันพอเสร็จแล้วก็เข้าสู่ทางจงกรมใหมเดินจงกรมสลับกับนั่งสมาธิจนถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มแล้วก็พักก่อนสี่ชั่วโมง ถ้านอนสี่ทุ่มก็ตื่นตีสองถ้านอนห้าทุ่มก็ตื่นตีสามเราลุกขึ้นมาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิใหม่สลับกันไปจนถึงสว่างพอถึงสว่างต้องไปทำกิจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารก็ไปทำต่อก็เตรียมตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวเอาไปทำกิจทางเรื่องของอาหารเป็นพระก็ไปบิณฑบาต เป็นโยมก็ไปโงครัวไปช่วยกันทาอาหารทำอะไรแล้วก็รับประทานอาหารกันช่วงที่ทำก็มีสติตลอดเวลาไม่คุยกันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่กำลังทำอาหารก็อยู่กับกำลังทำอาหารกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็ ทำความสะอาดล้างถ้วยล้างชามก็ให้อยู่กับกิจเหล่านั้นอยากคุยกันอย่าคุยกันต่างคนต่างทํากิจของตนไปถ้าทําอย่างนี้ได้จะมีสติอย่างต่อเนื่องพอเสร็จจากกิจกรรมเรื่องอาหารก็กลับไปที่พักไปปฏิบัติต่อไปเดินก่อนถ้าไปนั่งแล้วเดี๋ยวมันจะหลับไปเดินสักพักหนึ่งก่อนให้มันหายง่วงก่อน มาหายง่วงแล้วก็กอยไปนั่งสมาธิหม่สลับกันไปท่านเหนื่อยกลางวันอยากจะพักสักชั่วโมงก็พักได้พักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิใหม่จนถึงเวลาไปทำความสะอาดกวาดลานวัดเดื่มน้ำปานะแล้วก็ส่งน้ำอาบน้ำ พอเสร็จ ก, ก็กลับมาเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงเวลาเข้านอนนี่คือวงจรการปฏิบัติของนักปฏิบัติมีเท่านี้ไม่มีกิจอย่างอื่นมีกิจอยู่แค่ภาวนาขั้นต้นก็จเจริญสติกับสมาธิเดินจงกรมกับนั่งสมาธิจนกว่าจะสามารถบรรลุขั้นสมาธิได้คือสามารถเข้าสู่ฌานได้ สามารถที่จะเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการสามารถควบคุมความคิดได้เวลาคิดจะคิดเวลาจิตจะคิดเรื่อยเปื่อยก็หยุดมันได้เวลามันอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็หยุดมันได้ถึงคอยไปทางปัญญาต่อไปปัญญาก็พยายามพิจารณาว่าความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี่มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว ได้มาแล้วก็หมดไปหมดก็ต้องหาใหม่ต้องคอย ห, หาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าร่างกายมันหมดสมรรถภาพไม่สามารถหาได้ตอนนั้นก็จะเหลือก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความซึมเศร้าออก็มีแต่คิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายออให้คิดอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปแล้วต่อไปความอยาก ที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปจะไม่มีมาอะไรมาลบกวนใจมาดึงใจให้วุ่นวายต่อไปใจก็จะอยู่กับความสงบไปเพียงอย่างเดียว เ, ออเรียกว่าเป็นนิพพานไปออถ้ากำจัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้นอกจากความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ยังมีความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นออก็ต้องกาจัดมันให้หมด พิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปหมดถ้าอยากจะได้แฟนก็พิจารณาอสุภะของแฟนพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของแฟนพิจารณาเข้าไปภายใต้ผิวหนังดูอาการ32ดูผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูปอดลำไส้ตับไตหัวใจต่างๆ ถ้าเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ภายในร่างกายมันก็จะทาให้ไม่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามตรงไหนเลยก็จะไม่มีความอยากจะได้แฟนไม่มีความอยากจะไปนอนกับแฟนทาอย่างนี้ไปแล้วต่อไปความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์จะหายไปหมดก็ไม่มีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสุขไปเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องของ การหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดที่จะทำให้ใจไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆกลับมาหาความสุขชั่วคราวกันอยู่เรื่อยๆถ้ายังหาความสุขชั่วคราวอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาหาอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เ<ม>พื่อจะได้มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ จนกาจะตายไปตายไปก็กลับมาหาใหม่ทำอย่างนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนับไม่ท้วนแล้วแลวจะทำอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่อยากจะเจอกับการความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ก็ต้องมามาฝึ ก, กจิตกันมาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญากันถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจไปตลอดแบบไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังพราะนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นจิตที่สงบที่มีความสุขแบบไม่มีทุกข์เป็นความสุขที่ถาวรจะเป็นของเราถ้าเราหันมา ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวะหาปุราปะิรปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินัางเปตานังอุปปกักปติอิจิตังปฏทิตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมิจะโต สัพเพปเรนตุสังกะปายันโทปนาหราโสยธามณิโชติร a โสย h าสัพพิติโยวิวัชานตุสัปปะโรโววินัสสตุมาเตปวัตตะวันตระโยสุขีทีคายุโกภวา อภิวาทานาสิลิตะนิจังวุฒาปจายโนจตาโรโธรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟสบุ๊กเข้ามาสามร้อยแปดสิบห้า y o u t u สองร้อยยี่สิบสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบนะวันนี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับรับฟังข้างบนเขาสี่สิบแปดคนรวมทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสิบหกครับอวันนี้เยอะหน่อยเ e b o o กกลับมาเกือบสี่อยใครมีคำถามก็ถามได้ขึ้นมาถามบนนี้ ใครไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษขึ้นมาก็ได้ถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็ขึ้นมาพูดภาษาอังกฤษหรืถ้ามีคนแปลมีล่ามแปลก็เอาทางบ้านก่อนก็ได้คำถามจากทาง a ฟ e b o o k นะครับจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม โยมเป็นคนที่จิตเกิดสมาธิยากมากเคยขยันภาวนาต่อเนื่องในวัดป่าสิบเอ็ดเดือนจิตเกิดสมาธิระดับกลางที่พระอาจารย์เรียกว่าอุปจาระสมาธินับครั้งได้โยมเลยจาได้ทุกครั้งว่าเกิดตรงไหนมีสภาวะอย่างไรบ้างเคยเรียนถามหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านถามวิธีการภาวนาก็เรียนให้ท่านทราบท่านว่าทาถูกแล้ว เมื่อทำถูกแล้วขยันทำแต่จิตเกิดสมาธิยากท่านว่าน่าจะเป็นเพราะวาสนาบารมีเก่าทำมาน้อยภาวนาไปหลายๆครั้งโยมก็ท้อเพราะสมาธิไม่เกิดก็เลยฝึกได้แต่สติเลยปรับเป้าหมายเป็นการภาวนาเพื่อบรรเทาโรคส่วนตัวคือซึมเศร้าและนอนไม่หลับซึ่งก็ช่วยได้ดีค่ะส่วนสมาธิถ้าเกิดก็ถือเป็นของขวัญ ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาให้กำลังใจและชี้แนะด้วยค่ ะ, ะมันไม่ได้อยู่ที่วาสนาหรอกมันอยู่ที่ความขี้เกียจมากกว่าถ้าขยันฝึกสติเดี๋ยวมันก็ได้เองไม่ฝึกสติขี้เกียจเราก็มาโทษวาสนาแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป้าแทนที่จะารางวัลที่หนึ่งก็ขอแค่เลขท้ายสองตัว ก, ก, ก็คงจะได้แค่นั้นถ้าเราขี้เกียจฝึกสติ สติมันไม่ยากหรอกนี่เดี๋ยวเราขี้เกียจทากันถ้าเราบังคับให้มันฝึกสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองงั้นถ้าอยากจะก้าวหน้าก็ต้องมันฝึกสติบ่อยๆแล้วต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นคำถามต่อไปจากคุณสิริการเพ่งกศสินในดินน้ำลมไฟ กับการเพ่งดูร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟต่างกันอย่างไรครับและเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับการเพ่งกระสินให้เราเพ่งอย่างใดอย่างหนึ่งน้ำก็น้ำอย่างเดียวเพื่อให้เป็นอารมณ์ของสมาธิแทนที่จะเพ่งลมก็เพ่งน้ำเพ่งน้ำเพ่งยังไงก็ดูน้ำคิดถึงน้ำสิน้ำในทะเลตอนต้นก็เห็นด้วยตาก่อน ดูภาพของน้ำน้ำทะเลพอเราพยายามจำาภาพนั้นไว้แล้วก็หลับตาแล้วให้มันนึกให้ภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในตาในในใจนี่เรียกว่าการเพ่งกระสินน้ำกระสินลมก็นึกถึงลมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้กรรมฐานเพื่อทำให้จิตสงบเป็นสมาธิ ส่วนการแยกร่างกายให้กายเป็นดินน้ำลมไฟนี้เรียกว่าปัญญาวิปัสนาวิเคราะห์วิเคราะห์ร่างกายนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรทำให้ร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมันก็ได้มาจากอาหารที่กินเข้าไปอาหารมันก็มาจากดินข้าวมาจากที่ไหนถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีไฟข้าวจะโตขึ้นมาได้ไหม มันต้องมีดินน้ำลมไปถึงจะมีข้าวมีผักมีเนื้อสัตว์ให้เรารับประทานพอดินน้ำลมไฟในในรูปแบบของอของของข้าวของน้ำของอะไรที่เรากินเป็นอาหารพอมันเข้าไปร่างกายมันก็ไปเปลี่ยนเป็น อ, อาการสามสิบสองไปทำให้เกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมา แล้วพอร่างกายมันหยุดหายใจลมที่อยู่ในร่างกายก็ออกไปไฟที่อยู่ร่างกายก็ออกไปร่างกายก็เย็นเฉียบน้ำที่อยู่ในร่างกายก็ไหลออกมาแยากกันไปจนเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินคือส่วนที่เป็นของแข็งเช่นกระดูกหนังที่แห้งกรอบอวัยวะต่างๆที่แห้งกรอบ เดี๋ยวก็ผุพังกลายเป็นดินไปอนนี่คือการพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ำลมไฟอนนี้เรียกว่าวิปัสสนาต่างกับการเพ่งดูลมหายใจที่เป็นกสินเพ่งดูดินน้ำลมไฟที่เป็นกสินตอนนั้ไม่วิเคราะห์ใช้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ผูกใจให้เข้าสู่ความสงบเหมือนกับใช้ลมหายใจ ถ้าไม่ชอบลมหายใจชอบน้ำก็ใช้น้ำถ้าชอบไฟก็ใช้ไฟอันนี้เป็นจริตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันกรรมฐานที่ทำให้ใจสงบจึงมี4ี่สิบชนิดให้เลือกเอาคำถามต่อไปจากคุณพีเจมงกราบเรียนถามค่ะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์วิธีทำให้สติอยู่กับตัวเจ้าค่ะ ก็ให้ดูอยู่กับตัวก็ดูตัวสิตัวก็คือร่างกายอย่าปล่อยให้ใจมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ร่างกายอยู่ตรงนี้บางทีไปใจไปถึงกรุงเทพแล้วไปถึงนิวยอร์กไปถึงเอลเอล้ะไ ม, ม่อยู่กับตัวก็เพราะว่าไม่ดึงให้มันอยู่กับร่างกายให้เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ถ้ามันไม่ยอมอยู่ด้วยการดึงมันไม่มีกาลังดึงมันก็ต้องใช้พุทโธช่วย มันจะไปคิดถึงกรุงเทพคิดถึง l อลอ็กพุทโธพุทโธดึงมันกลับมาคำถามต่อไปจากคุณรุ่งเรืองกราบเรียนถามเวลาสวดมนต์หรือไปทำบุญฟังพระสวดง่วงนอนมากๆค่ะตั้งใจและมีสติตลอดเวลาแต่จะหลับทุกทีมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างเจ้าคะก็กินน้อยๆ อ, อย่าไปกินมาก กินมากก็มันก็ง่วงนอนวันไหนจะไปวัดก็วันนั้นอย่าเพิ่งกินข้าวให้ให้กลับมาวัดแล้วค่อยกลับมาจากวัดแล้วค่อยมากินกินของเบาๆกินของอะไรลองท้องไปก่อนมันก็จะช่วยได้ถ้ามันกินอิ่มแล้วเวลาฟังพระสวดมันก็จะง่วงนอนคําถามต่อไปจากคุณภัยบูนกราบนมัสการครับหลวงพ่อ การที่ปุถุชนจะเจริญสมาธิก่อนนอนต้องให้ได้กี่นาทีครับถึงจะได้ขึ้นชื่อว่านั่งสมาธิครับมันไม่ได้อยู่ที่กี่นาทีมันอยู่ที่สงบหรือไม่สงบถ้าไม่สงบร้อยนาทีก็ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสงบ 5, ถ้าห้านาทีสงบก็มีประโยชน์มันอยู่ที่อยู่ที่สงบหรือไม่สงบเหมือนกับไปตกปลาเนี่ย ไปตกทั้งวันแล้วไม่ได้ปลาสักตัวหนึ่งกับอีกคนหนึ่งไปตกแค่ชั่วโมงเดียวได้ปลาต้องสิบตัวนี่มันไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ผลคือความสงบจิตจะสงบไม่สงบก็อยู่ที่สติว่ามันมีต่อเนื่องหรือไม่อยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่อยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องหรือไม่มันถึงจะสงบได้คำถามหมดแล้วครับ มันไม่ได้อยู่ที่เวลาเวลานี้มันไม่แน่นอนสำหรับคนบางคนบางคนนั่งเดี๋ยวเดียวก็สงบบางคนต้องนั่งนานถึงจะสงบเพราะสติของคนที่ต้องนั่งนานก็เพราะว่าสติไม่มีกำลังมากไม่เหมือนกับคนที่มีสติมากเฉนั้นอยู่ที่สติถ้าจะตั้งถ้าจะวดัดต้องวัดด้วยที่สติต้องพยายามฝึกสติให้มากๆ แล้วนั่งไม่นานก็จะสงบสงบแล้วก็จะสงบไปได้นานคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับขอกราบเรียนถามว่าการยกจิตขึ้นสูงคืออะไรและมีวิธีทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ยกจิตให้ขึ้นสู่สติสมาธิปัญญา ยกจิตให้สูงยกจิตให้ขึ้นสู่ระดับพุทธจักระดับปุตุชนไปสู่ระดับพระอริยะก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาอย่างต้องมาหัดถือศีลกันถือศีลห้าแล้วก็ถือศีลแปดต้องขึ้นไปถึงศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลามาฝึกสติเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบเมื่อใจสงบ จนชนานาญแล้วก็มาฝึกปัญญาให้ปัญญามาทําลายกิเลสตัณหาที่จะมาทําลายความสงบพอทําลายกิเลสตัณหาหมดด้วยปัญญาแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ใจทุกข์อีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดคําถามต่อไปจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ครับขอวิธีปรับทัศนคติ มองผิวหนังเป็นเปลือกให้ใจยอมรับตามความเป็นจริงครับไม่ต้องไปมองว่ามันเป็นเปลือกหรอกก็อมองตามความเป็นจริงร่างกายมันมีอะไรก็ดูไปสิไปดูเขาผ่าศพดูดูเขาผ่าว่าร่างกายนอกจากผิวแล้วมันใต้ใตผิวมันมีอะไรบ้างใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีกระเพาะมีตับมีไตมีลําไส้มีปอดมีหัวใจให้มันดูให้เห็นทุกสั์ทุกส่วนของร่างกายจะได้ไม่หลงว่าร่างกายนี้มันสวยมันงามคำถามต่อไปจากคุณความรักและการดูแลของแม่ที่ห่วงใยลูกนะครับขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ หากเราตั้งสัจจะว่าจะนั่งสมาธิให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงแต่จิตของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างได้สิบหรือสามสิบนาทีก็ลืมตาเราต้องนั่งให้ครบชั่วโมงหรือเราสามารถนั่งหลายครั้งให้ครบหนึ่งชั่วโมงได้เจ้าคะ่ะอ่ะแล้วแต่เราจะตั้งเลยเราตั้งยังไงก็ต้องทาอย่างนั้นเนี่ยเราตั้งว่าจะนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงทั้ง ภายในเวลาเดียวเราก็ต้องนั่งให้มันได้ภายในเวลาเดียวถ้าเราตั้งว่าวันนี้เราจะนั่งสมาธิหลายๆครั้งให้ครบอยึางชั่วโมงก็ทำไปตามที่เราตั้งได้มันอยู่ที่เราตั้งเองอะมาถามเราทำไมคุณตั้งยังไงก็ทำตามที่คุณตั้งสิตั้งจ ะ, ะตั้งที่จ ะ, ะผ่อนเงินให้เขาครั้งละสิบบาทก็ผ่อนไปไม่ตั้งใจที่จะจ่ายนี่ทีเดียวหมดเลยก็จ่ายไป มันแล้วแต่ที่เราจะตั้งตั้งแล้วเราก็ต้องทาตามที่เราตั้งคำถามต่อไปจากคุณวินะครับเกี่ยวกับพระวินัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่พระต้องจัดดอกไม้ในโบสถ์ในงานวันสำคัญเช่นวันอาสาฬหบูชาอยากทราบว่าอันนี้ผิดวินัยไหมเจ้าคะ่ะไม่ผิดหรอกมันก็ทำได้ไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระไม่ได้ส่งเสริมไม่ทำใ ห, ให้ไปทำกิจที่ที่สำคัญคือศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่บางทีกิจบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับวัดวารามก็ต้องทำเช่นให้มันดูแลความสะอาดก็ต้องช่วยกันการจัดดอกไม้ถ้าทำเป็นถ้าทาเป็นอาชีพก็ไม่เหมาะไป คอยรอรับศพมาแล้วก็จัดดอกไม้แล้วก็ไม่ไปศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นงานการนานๆานที่เช่นครูบาอาจารย์ตายไปแล้วไม่มีใครมาจัดดอกบวงดอกมนเ้าอยากจะจัดดอกไม้เป็นการบูชาครูบาอาจารย์ก็ทำได้แต่มันต้องเป็นเฉพาะกิจไม่ใช่ทําเป็นอาชีพทาเป็น อันนี้ต้องอาชีพของพระคือการศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติพระธรรมสอนตามตามที่ไ ด, ไ ด, ได้ได้ศึกษามาเพื่อจะจะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานคำถามต่อไปนะครับจากคุณสุมลการที่เจ็บป่วยบ่อยเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าเจ้าค่ะจะว่ากรรมเก่าก็ได้บางคนเจ็บมากบางคนเจ็บน้อย กรรมเก่าคือทำบาปมามันก็เลยทำให้ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงแต่มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นไปอยู่ที่ที่มันไม่เหมาะสมก็ได้อากาศเป็นพิษน้ำเป็นพิษหรืออะไรมันมีหลายเหตุที่ทำให้คนเราเจ็บไข้ได้ป่วยได้มันไม่ได้อยู่ที่กรรมเก่าเพียงอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณวันนิพากราบเรียนถามพระอาจารย์<ม>ว่าการที่คนเราได้พบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหมายความว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องเจอไม่มีข้อยกเว้นใช่หรือไม่เจ้าคะไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันอยู่ที่ความคิดของเรามากกว่าคนเราที่ไม่เจอกันก็มีตั้งเยอะแยะ ถ้ามันจะเจอก็เจอ er, มันไม่เจอก็ไม่เจอเพราะนั้นทำไมต้องไปสนใจว่ามันเป็นเรื่องเหตุบังเอิญหรือบังเอิญเจอก็เจอไม่เจอก็จบเท่นั้นเองเห็นต้องไปวุ่นวายกับมันว่ามันเป็นเป็นเป็นอะไรไม่ hmm. เป็นอะไรไม่ไปสนใจดีกว่าเอาความจริงดีกว่าตอนนี้เจอใครก็เจอกันไปสื่มาสนใจว่าเจอกันเราจะทํำยังไงดีกว่าเจอกันแล้วก็ให้เมตตาต่อกันให้แผ่เมตตา อันนี้สำคัญกว่าไม่เจอกันแล้วก็แยกเคี้ยวใส่กันคำ ถ, ถามหมดหมดแล้วนะอชอบคิดไปเรื่องไร้สาระไอเรื่องที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ับไม่คิดกัน เ, เรื่องคุณประโยชน์ก็คือว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจะกระทาอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราจิตใจของเรามีความสุขกลับไปสนใจว่าการพบปะของคนนี่เป็น เป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือไม่เหตุบังเอิญจะต้องเจอกันอะไรว่ากันไปมันมีประโยชน์อะไรมันก็มันเจอแล้วก็เจอกันมันไม่เจอมันก็ไม่เจอประโยชน์มันจะเกิดจากว่าเราเจอกันแล้วเราจะทำอย่างไรเจอกันแล้วถ้าโกรธกันเกลียดกันตากันตีกันมันก็อย่าเจอดีกว่าถ้าเจอแล้วมีความเมตตาต่อกันดูแลกันช่วยเหลือกันก็มีความสุข พระเจ้ถึงสอนให้เราหัดแผ่เมตตากัน เ, ออเวลาเจอใครจะได้แผ่เมตตาได้ไม่ต้องมานั่งค้นคว้าว่าเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเ อ, อมีเหตุบังเอิญที่ต้องมาเจอหรือเปล่าหรือว่ามีเหตุที่จะทําให้ต้องมาเจอกันมันไม่เกิดประโยชน์คิดเรื่องราวเหล่านี้คิดไปให้มันเสียเวลาเปล่ า, าออให้มาคิดดีกว่าว่าเราจะทำไงเวลาเราเจอกัน เ, ออ เ, ออเราจะรักกันเราจะเกลียดกัน อ, อ รักกันมันดีกว่าเกลียดกันรักแล้วมันมีความสุขเกลียดกันแล้วมันมีความทุกข์เนี่ยคำถามต่อไปจากคุณอูกราบเรียนถามพระอาจารย์<ม>การที่พระบางรูปที่บวชมานานแล้วแต่ศึกเมื่อเจอสีกาแปลว่าท่านน่าจะนั่งสมาธิยังไม่ได้ผลใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็แปลว่าท่านยังมีกามนะสิมีกา ม, มาตัณหายังอยากจะเสพกามอยู่ ยังควบคุมกามาลัลลมไม่ได้หมดแล้วเนะนี่ยก า, ม, ามัลลมจะควบคุมกามาลัลลมได้ก็ต้องมีสติสมาธิและปัญญานี่ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาปล่อยให้คิดถึงเรื่องการมาลัลลมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็ต้องสึกไป ถ้าไปมีการมีเพศสัมพันธ์ตอนที่ยังเป็นพระอยู่ถ้าจับได้ก็จะถูกปนามถูกขับไล่ออกไปถ้าไม่อยากจะถูกปนามไม่อยากจะถูกขับไล่ออกไปก็เซกไปดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งส่วนใหญ่นั่งสมาธิสงบเร็วแต่ไม่นานถ้าจะให้ได้ผลดี ต้องสงบได้เร็วและนานใช่ไหมเจ้าค่ะได้เร็วแล้วก็อยู่ได้นานอยาจะได้เร็วอยู่ได้นานก็อยู่ที่สติมีมากมีน้อยถ้ามีสติมากมันก็จะได้เร็วแล้วก็จะอยู่ได้นานมีสติน้อยมันก็อยู่ได้ไม่นานอ ย, อ ย, อยู่เข้าก็ยากเข้าก็นานแล้วพอเข้าไปแล้วก็อยู่ได้เดียวเดียวคำถามที่สองนะครับ ช่วงที่นั่งใจจะเหมือนไม่อิ่มไม่พออยากนั่งไปนานๆก็ให้นั่งไปเรื่อยๆจนใจจะไม่อยากนั่งต่อไปถูกไหมคะก็พยายามนั่งไปเรื่อยๆเพราะการนั่งนี่มันเป็นการฝึกจิตให้เข้าสู่ความสงบถ้าไม่นั่งไม่ฝึกไม่ฝืนมันก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณวิ การนั่งสมาธิให้มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเราต้องทำให้เป็นประจำจนเป็นนิสัยใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันสุขแล้วมันไม่ต้องบังคับแล้วมันไม่ต้องถามแล้วมันอยากจะหาความสุขจากความสุขจากสมาธิอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นความสุขที่สบายไม่วุ่นวายกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วก็ไม่มีวันที่จะจากเราไปขอให้มันได้เถอะแล้วมันจะรู้เองว่า จะทำยังไงต่อไปไม่ต้องมาถามเหมือนได้เพชรแล้วไม่ต้องถามว่าจะทำาังไงกับเพชรเม็ดนี้ดีคำถามต่อไปจากคุณต้นผลของทานขึ้นอยู่กับเจตนาการให้ด้วยใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นพระยาปลายาสิให้ทานโดยไม่ครบไม่ให้ด้วยมือของตนเองตายไปอยู่สวรรค์ชั้นต่ำสุดคือจตุมหาราชิกา ส่วนอุตตรมาโนบให้ทานด้วยความเคารพให้ด้วยมือของตนเองตายไปอยู่สวรรค์ชั้นที่สูงกว่าคือดาวดึงก็คงเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้ต้องไปอ่านรายละเอียดเอาเองคำถามต่อไปจากคุณยศนันความเบื่อนี่เป็นกิเลสใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องอารมณ์อารมณ์เรานี้มันเบื่อเบื่ออยากอยากมันสลับไปสลับมา เบื่อก็เป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เบื่อภาวะตัณหาก็อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาความอยากกับความไม่อยากความอยากกับความชังความเบื่อก็คือความชังเบื่อชังกับสภาพแบบนี้อยากจะเปลี่ยนสภาพใหม่อยากจะไปเข้าดิสโก้เต้นรำเต้นกะอยู่บ้านเฉยๆเนาะมันเบื่อ พอได้ออกไปเที่ยวข้างนอกแลมันก็หายเบื่อคำถามต่อไปจากคุณสิริเรื่องอยากกับไม่อยากนี้ให้ทำใจให้เฉยๆไว้หรือคะไม่ไปทำตามอยากไปทำเรื่องอื่นแทนได้ไหมเจ้าคะไปทำเรื่องอื่นมันก็ไปอยากกับเรื่องอื่นนี่อย่าไปทำเรื่องอะไรเลยให้เข้าสมาธิไปให้เป็นทำสมาธิอย่างเดียว ใ, ใจอยู่เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นคำถามต่อไปจากคุณกําหนดรู้แล้วปล่อยวางขอสอบถามพระอาจารย์ครับเวลากําหนดลมหายใจเข้าออกต้องดูลมหายใจจับที่ลมหายใจหรือพิจารณาขันห้าดีครับไหนถามหน่ยเวลากําหนดลมหายใจเข้าออกต้องดูลมหายใจ จับที่ลมหายใจหรือให้พิจารณาขันห้าครับถ้าดูลมหายใจแล้วมันจะไปพิจารณาขันห้าได้อย่างไรถ้ามันพิจารณาขันห้ามันก็ดูลมไม่ได้ใชมันจะทำทั้งสองอย่างได้อย่างไรถ้าต้องการดูลมก็ดูลมไปถ้าต้องการพิจารณาขันห้าก็พิจารณาขันห้าไปมันไม่เหมือนกันดูลมก็เป็นการนั่งสมาธิเป็นการทำสมาธิ พิจารณาขันห้าก็เป็นการจเจริญปัญญาเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่อันนี้แปลว่าไม่ได้ศึกษาอย่างรอบครอบไม่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้สมาธิก็จะไปทางปัญญาแล้วจะไปพิจารณาขันห้าแล้วพิจารณาไปก็ทำอะไรไม่ได้ปล่อยขันห้าได้หรือเปล่า ว, ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปล่อยมันได้หรือเปล่า ป, ปล่อยให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายได้หรือเปล่า ปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีสติถ้ามีสมาธิแล้วมันจะปล่อยได้นันอยากข้ามขั้นตอนทำใจให้สงบก่อนทำสมาธิก่อนดูลมไปก่อนอย่าไปพิจารณาขันห้าดูลมหายใจเข้าออกไปจงกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบพอมีกำลังแล้วค่อยมาพิจารณาขันห้าเพื่อปล่อยวางขันห้าต่อไปคาถามต่อไปจากคุณชนะ เมื่อนั่งสมาธิแรกเริ่มจะมีความสงบต่อมามีความคิดเข้ามาก็จะพยายามหยุดความคิดทั้งหลายไว้ด้วยพุโทโธแต่ยิ่งพุโทโธให้เร็วขึ้นเหมือนยิ่งคิดและปวดศีรษะควรแก้ด้วยพิธีอะไรดีครับไม่รู้ลองแก้ลองไปสวมดมนต์ดูลองดูลมหายใจดูลองลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อนถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อน มาเจริญสติมาเพิ่มสติให้มีกำลังมากขึ้นไปก่อนหมดแล้วนะหมดแล้วก็พอแล้วมื้อวันนี้คำถามก็มากพอสมควรมีเข้ามาอีกไหมมีก็ว่าไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับกราบอนุญาตถามพระอาจารย์ว่าคุณแม่อายุหนึ่งร้อยปีความดีทุกวัน ทำทุกวันให้ภาวนาพุทโธพุทโธช่วงนี้บางคืนท่านบอกว่ามีดวงไฟมาวนหมุนหมุนอยู่ใกล้ๆและข้างหน้าท่านเหมือนแสงหิ่งห้อยหรือไฟฉายแสงเรืองๆวนไปวนมาแม่บอกตกใจบางครั้งลูกเลยบอกแม่ว่าไม่ต้องตกใจเทวดามาฟังแม่ท่องพุทโธ ท, ทำให้สบายใจขอพระอาจารย์ได้โปรดแนะนำด้วยเจ้าค่ะว่าแม่ควรปฏิบัติอย่างไรต่อไป เราไม่ต้องสนใจอะไรจะมาก็สักแต่ว่ารู้ไปเราไม่รู้หรอกมันเป็นอะไรมันก็เป็นแสงอย่าไปว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่มันเป็นแสงก็ว่าเป็นแสงไปอย่าไปว่ามันเป็นเทวดาเป็นอะไรไปก็เป็นแค่แสงเท่านั้นเองมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะว่าเราไปยุ่งกับมันไปกลัวมันถ้าเราไม่กลัวมันไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันเป็นไป ตามเรื่องของมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรคำถามต่อไปจากคุณปราณีหลวงพ่อคะคําว่าสติพูดง่ายแต่ยอมรับว่าทํายากพอเจออะไรหน่อยทําใจได้ยากคะ่ะแต่ลูกก็จะทําต่อไปหลวงพ่อว่าลูกโง่หรือเปล่าเจ้าคะโง่หรือไม่โง่ก็ไม่รู้ละขอให้ฝึกสติไปก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จะ สามารถที่จะหยุดกิเลสตันหาความโลภความโกรธความหลงได้หมดแล้วใช่ไหมดูที่ว่ามีกำลังพิมพ์เข้ามาอยู่หรืเปล่าช่วงนี้กำลังพิมพ์กันก็เข้ามาเดี๋ยวพักเดี๋ยวคำถามต่อไปจากคุณเลิศนารีระยะหลังนั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลมากๆตลอดเวลา จนเกิดความรำคาญและคันหน้าบางครั้งสติตามไม่ทันทำให้ลืมตาพอลืมตาแล้วรู้สึกเสียดายที่ลืมตาออกจากการนั่งสมาธิแบบนี้คือสติยังน้อยตามไม่ทันใช่ไหมเจ้าคะ่ะนั่งแล้วไม่มีสติมัง้งนั่งมันต้องมีสติอยู่กับลมและอยู่กับพุทโธอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยมันก็เปลี่ยนเป็นก็ใจ มีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้ถ้ามีสติคอยคุมอยู่มันก็จะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้นั่งแล้วต้องดูลมไปอย่าทิ้งลมถ้าดูลมถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอยหยุดพุดโทโธแล้วอาการต่างๆจะไม่มีหรือมีน้อยหรือมีก็ไม่ต้องไปสนใจมันเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเหมอนแล้วนะ ไม่มีเข้ามาแล้วไม่มีละครับทางบ้านก็ไม่มีทางทางลายทางอะไร ก, ก็ไม่มีนะธรรมดานี่ดูทางไหนบ้างเนี่ยดูทางก็เ <In box. S 2> อ็นบ <Designer> ็อกครับเอ็นบลอกแล้วก็ดูชุดครับอ่าอยู่าที่คำถามต่อไปจากคุณสุพัชราทิพย์ กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าถ้าเรากินยาฆ่าพยาธิจะบาปไหมคะพยาธิเป็นสิ่งมีชีวิต อ, อมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีวิญญาณมันไม่บาปหรอกถ้าของนี่มันอยู่ในร่างกายเรานี่เรากินฆ่ามันได้ อ, อถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา